แสงเนี่ยมันเป็นคลื่นไม่แหลกไฟฟ้าแต่ถ้าเราถามว่ามันมีความเป็นอนุภาคไหมมันก็มีเรียกว่าโฟตอนแรงอย่างเข้มที่มันยึดคว้าเข้าด้วยกันเนี่ยก็ประกอบจากสนามของแรงอย่างเข้มซึ่งอนุภาคของมันก็เรียกว่ากลูออนแรงอย่างอ่อนก็มีสนามของแรงอย่างอ่อนที่เกิดขึ้นจากอนุภาคที่เรียกว่า Z ซึ่งศูนะฮะซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้ากับดับยบวกกับลยูลบตึงต คือเมื่อกี้ที่แบบจับความได้คือฟังคิดว่าคนที่ฟังอยู่ะสามารถย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้โอ้ผมมั่นใจเลยว่าถ้าฟังรอบแรกแล้วงงนะฟังรอบสองกงงงั้นลองรอบสามดูอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอนักฟิสิกส์เองอ่ะในยุคนั้นเองอ่ะเขาก็งงทุกวันนี้คนเรียนฟิสิกส์ถ้าเรียนเรื่องเนี้ยอก็งง You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience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 มันคืออะไรทุกคนคิดว่ามันคืออะไรคะ่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดแล้วว่าตัวมันเองเนี่ยไม่ได้ถูกประกอบด้วยอนุภาคอื่นๆแล้วก็แบ่งออกเป็นอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วการทำํำความเข้าใจเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสแตนดาร์ดโมเดลหรือว่าแบบจําลองมาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจอนุภาคที่เล็กที่สุดของตัวเราเองรวมถึงของเอกภพด้วยนะคะมาคุยกันวันนี้ใน ใ, นใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับฟังรัตทโรจิตพนาค่ะและผมพองแปงอัจวรงค์จันทมาศครับ เรากำลังคุยกันถึงอนุภาคที่เล็กที่สุดมันคืออะไรคะพี่ปองแปงโอ้อันนี้เป็นคำถามที่วันนี้คุยยาวแน่แต่ว่าอนุภาคที่เล็กที่สุดเนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยเราจะใช้คำว่าอนุภาคมูลฐานหรือ fundamental particle นะฮะก็คืออนุภาคที่ตัวมันเนี่ยไม่มีองค์ประกอบย่อยภายในละคือเล็กที่สุดละไม่มีอะไรประกอบขึ้นเป็นตัวมันอีกแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ย ถามว่ามันคืออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแต่ว่าผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าทฤษฎีฟิสิกส์ที่อธิบายธรรมชาติของอนุภาคมูลฐานเนี่ยเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดโมเดลหรือแบบจําลองมาตรฐานเป็นไงฮะชื่อฟังดูเป็นไงชื่อมันแบบมันคืออะไรอย่างเงี้ยแบบจําลองมาตรฐานใช่ไหมแบบจําลองมาตรฐานเนี่ยเป็นฟิสิกส์ที่ใช้อธิบายแรงพื้นฐานที่กระทําระหว่างอนุภาคมูลฐาน หรืออธิบายได้ว่าอนุภาคมูรฐาเนี่ยมันส่งแรงกระทากันอย่างไรอะไรแบบนี้นะซึ่งแรงพื้นฐานเนี่ยเราเคยคุยกันไปละมีทั้งหมดสี่แรงนะฮะแต่มาตรฐานโมเดลเนี่ยอธิบายได้3แรงนะฮะคือแรงอย่างเข้มแรงอย่างอ่อนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ไม่นับแรงโน้มถ่วงอืมอ่เรื่องแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นปัญหาที่นักฟิสิกส์ในปัจจุบันพยายามหาทางศึกษาในระดับควอนตัมกันอยู่นะครับเป็นคําถามปลายเปิดนะตรงนี้ ทีนี้ในเรื่องของแรงพื้นฐานซึ่งมี3แรงเนี่ยเราคุยกันไปละดังนั้นใครอยากฟังเรื่องแรงพื้นฐานก็ไปดูตอนเก่าะนะครับตอน4แรงพื้นฐานนะส <4 S 1> แรงพื้นฐานใ <7 S 1> น, น<า>เอกภพเนา ะ, ะ อ, อันนั้นอ่ะก็จะเป็นเรื่องแรงพื้นฐานที่เรารู้กันแต่แบบจำลองมาตรฐานเนี่ยอธิบาย3แรงะนะฟังดูเหมือนไม่สมบูรณ์เนาะแต่ก็ถือว่าดีสุดละในปัจจุบันความว่าในอนุภาคที่เล็กที่สุดเนี่ยสแรงอธิบายได้ว่ามันทำกระทำต่อ ก, กันอย่างไรแต่อีกแรงหนึงไม่ได้ เรายังไม่สามารถอธิบายแรงโน้มถ่วงในแบบคอนตัมได้คือยังไม่สามารถมองลึกเข้าไปในแบบคอนตั ม, มเราต้องอธิบายแรงโน้มถ่วงด้วยสัมพัทธภาพทั่วไป ม, มันกลายเป็นสองสองอันที่แยกออกจากกันนะฮะและอย่างที่เกินไปว่าเรื่องแรงพื้นฐานเนี่ยเราก็พูดไปล ะ, ะดังนั้นวันนี้เรามาเจาะในเรื่องที่ว่าอนุภาคมูลฐานเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างกันละกันดีไหมดีค่ะ ซึ่งอยากขอถามเพิ่มว่าถ้าเราพูดกันแบบนี้มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆเนี่ยไอ้คำว่าสแตนดาร์ดโมเดลอะไรก็ตามเนี่ยมันอธิบายตัวเราได้ด้วยใช่ไหมคะพูดงี้ดีกว่าคำถามที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดในเอกภพเนี่ยมันไม่ใช่คำถามที่เพิ่งถามกันมา 10-20 ปีหรือ100ปีนะเขาถามกันมาตั้งแต่ยุคโบราณกรีกโบราณแล้วว่าเอกภพเนี่ยมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบเล็กที่สุด มันเก่าแก่มากคําถามนี้นะครับแต่ในยุคนัทเนี่ยเขาตอบกันเชิงปรัชญาแล้วก็ถกเถียงกันโดยไม่อาศัยการทดลองเป็นหลักเนอ ะ, ะบ้างก็ว่าเราสามารถหั่นของบางอย่างให้เล็กลงได้เรื่อยๆได้ที่สิ้นสุดเลยไม่มีหลอกเล็กที่สุดอบ้างก็ว่าหั่นไปถึงจุดหนึ่งมันจะตันที่จุดหนึ่งเรียกว่าอะตอมซึ่งอะตอมเนี่ยหมายถึงแบ่งแยกไม่ได้ค่ะประเด็นของผมว่ามันเกี่ยวกับเราไหมคําตอบก็คือถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เล็กที่สุดในเอกภพว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยคําถามเนี่ย เป็นคำถามที่ใหญ่มากเพราะมันเหมือนกับว่าเราจะเข้าใจอิทล็อกที่เล็กที่สุดที่สามารถเอามาสร้างเป็นเอกภพได้ทั้งเอกภพมันเหมือนเราเข้าใจธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่สุดของของเอกภพอย่างหนึ่งเลยน ะ, ะออว่าเล็กที่สุดมันคืออะไร ม, มันเหมือนคิดแบบฟุ้งๆเลยนะถ้าเรามีศักยภาพพอเราอาจจะสร้างเอกภพขึ้นจาก สิ่งที่เล็กเหล่านี้ได้ถ้าเรามีพลานุภาพถึงขนาด น, นั้นนึกออกไปมเออมันเป็นคำถามที่ชวนให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ขนาด น, นั้นใช่ใช่โหแล้วเราควรเริ่มต้นทาความเข้าใจเรื่องนี้จากตรงไหนดีคะอืมโอเคโดยประวัติศาสตร์เนี่ยแนวคิดที่เริ่มมีความเป็นวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสิ่งเล็กๆเนี่ยเริ่มมาจากคุณจอร์แดนเขาก็สร้า ง, าางทฤษฎีที่เชื่อว่ า, วา สาสารต่างๆน่าจะประกอบจากสิ่งที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอ ม, อมแบ่งแยกไม่ได้นะครับอะตอมเนี่ยเล็กที่สุดล ะ, ะและต่อมาเนี่ยก็มีนักฟิสิกส์ที่เป็นตำนานคนหนึ่งเลยชื่อคุณเจเจทอมสันเจเจทอมสันเนี่ยทำการทดลองที่น่าทึ่งมากเขาเอาหลอดสุญญากาศนะฮะาใส่แก๊สเข้าไปที่ความดันต่ำมากนิดหน่อยแล้วก็ใส่ความต่างศัก์เข้าไปที่ขวนะครับเราเพราะว่ามันมีรังสีบางอย่างพุ่งจากขั้วลบมาที่ขั้วบวก ลังสีตัวนี้เนี่ยเขาก็ศึกษานะฮะอย่างละเอียดก็พบว่าเฮ้ยมันมีค่าประจุต่ตอมวลเท่ากันหมดเลยนะในแก๊สทุกชนิดจะมีธรรมชาติของลังสีตัวนี้อยู่หมดเลยน ะ, ะมีอะไรร่วมกันอยู่มีจุดร่วมกันใช่ใช่แล้วมันเป็นประจุลบมันพุ่งออกมาจากขั้วลบ ม, มันก็เป็นประจุลบนะลบมันพังออกมามมคุณเจเจทอมสันก็ศึกษาจนกระทั่งคนพบว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องเป็นอนุภาคเล็กๆนี่แหละที่ประกอบขึ้นเป็น สิ่งต่างๆทั่วไปนะฮ ะ, <Ừ. S 2> ะแล้วอยู่ในแก๊สทุกอย่างแหละขเขาเรียกมันว่าอิเล็กตรอนเราเริ่มคุ้นๆแล้วมันอยู่ในห้องเรียนใช่ๆช่มันก็คือสิ่งที่ทำให้นักฟิสิกส์ตระหนักได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุดแล้วแต่อัตอมมีเล็กไปกว่านั้นอีกมีองค์ประกอบอที่เรียกว่าอิเล็กตรอนอยู่ซึ่งเป็นประจุลบาการศึกษาต่อมาก็ทาให้รู้อีกว่า ที่ใจกลางของอะตอมเนี่ยมีมวลสารส่วนใหญ่อัดแน่นอยู่ตรงกลางเรียกว่านิวเคลียสอื อ, อแล้วอิเล็กตรอนที่มวลน้อยมากก็กระจายอยู่รอบๆอบอทีนี้อิเล็กตรอนเนี่ยเป็นอนุภาคมูลฐานนะฮะแรกเลยที่มนุษย์เจอแปล ว, ว่าจริงๆเราไม่ได้มีอย่างเดียวถูกต้องแต่ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเจอก็เจ อ, เ, จอเป็นอนุภาคมูลฐานนะฮะ<ฆ>แล้วก็เราเจอเป็นอย่างแรกซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะว่าสสารเนี่ย ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนอยู่รอบๆอนะแล้วอิเล็กตรอนเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปของธรรมชาติของปฏิริยาเคมีค่ ะ, ะปฏิริยาเคมีต่างๆเกิดจากอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างนอกอพวกธรรมชาติที่เกี่ยวกับไฟฟ้าพวกนี้ก็เป็นผลมาจากการไหลของประจุที่เรียกว่าอิเล็กตรอนหมดเลยการศึกษาอิเล็กตรอนก็ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติได้เยอะมากเลยปรากฏการณ์ต่าง ๆ, ๆเยอะมากแล้วการศึกษานิวเคลียสนะ ในเวลาต่อมาก็ทำให้เรารู้ว่านิวเคลียสเนี่ยมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่เรียกว่าโปรโตอนกับนิวตรอนการศึกษาทั้งโปรโตอนและนิวตรอนก็ทำให้เราเข้าใจปฏิยาณนิวเคลียส<ะ>นะที่เราเล่าในตอนเกี่ยวกับคุณเจโรเบิร์ตออพเอนไฮเมอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ เ, เป็นตอนเก่าๆแต่ว่าเอาเป็นว่าในตอนนี้นักฟิสิกส์นะเขาก็ศึกษา อิเล็กตรอนเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเคมีไฟฟ้าเรียนนิวเคลียสก็ศึกษาในนิวเคลียสก็เข้าใจอะไรเป็นอย่างดีเลยทุกคนแฮปปี้แต่มันยังไม่จบใช่แล้วในนิวเคลียสเนี่ยก็มีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่เนาะโปรตอนประจุเป็นบวกนิวตรอนเป็นกลางอิเล็กตรอนเป็นลบทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนั้นนะฮะเมื่อประมาณประมาณร0อปีก่อนเนี่ยนักฟิสิกส์แฮปปี้นะอนุภาคมูลธานดูเหมือนจะมี3อย่างซึ่งเล็กที่สุด 3อย่างเป็นเลขที่สวยสวยไมไม่มากไม่น้อยแล้วการมีลบมีกลางมีบวกมันฟังดูบาลานซ์มันดูแบบดูครบแล้วอะดูครบแฮปปี้อแบบดีอะไม่มีไม่ต้องมีมากกว่านี้หรอกทีนี้ไปเจออะไรต่อคะความเลวรายความยุ่งยากนะมันเริ่มประมาณปี1936สมีนักฟิสิกส์ไปค้นพบอนุภาคหนึ่งชื่อมิวออนมิวออนเนี่ยเขาไปเจอจากคลังสี่คอสมิก คือโลกของเราเนี่ยถูกรังสีลึกลับบางอย่างชื่อรังสีคอสมิกนะพุ่งชนตลอดเวลาเลยมันคืออะไรไว้เล่าให้ฟังในอนาคตนะ <laughs> แต่ว่ามันถูกรังสีคอสมิกชนตลอดแล้วรังสีคอสมิกเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอนุภาคอื่ น, นแตกออกมาจากรังสีคอสมิกเนี่ยหนึ่งในนั้นคื อ, Mill อมิวออนเขาก็ไปตรวจเจ อ, Mill อมิวออนอตอนนั้นนักฟิสิกส์นะช็อกนิดนึงว่าแบบอะไรวะเนี่ยมันมีมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเออมาจากไหนสามมากำลังดีสีออ่มาจากไหนอ คุณนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่ออิซิโดราบีนะครับคนนี้ก็เป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รางวัลโนเบลนะถึงกับพูดขึ้นมาเป็นโพดเลยนะ Who o ูออร์เ that คือประมาณว่าเฮ้ยใครสั่งมาะมันเหมือนเราถ่ายรายการกันถ่ายรายการกันใช่ไหมกําลังทํางานกันใช่ไหมแล้วจู่ๆมีคนกดทุบประตูปังปัปแล้วก็มาส่งแบบอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้ต้องการอะแล้วก็บอกอุ้ยใครสั่งมาเนี่ยคืออารมณ์แบบอะไรวะเนี้ย เไม่น่ามีเออนะครับเจอมิวออนแล้วมิวออนนี่แหละในเวลาต่อมาเรารู้ว่ามันเป็นอนุภาคมูลฐานเหมือนกับเหมือนอิเล็กตรอนเหมือนอิเล็กตรอนเดี๋ยวตอนเนี้ยเจออิเล็กตรอนก่อนใช่ไหมแล้วโปรตอนนิวตรอนค่ะอิเล็กตรอนเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นอนุภาคมูลฐานอยู่อันนี้หนึ่งละสองเราเจอมิวออนเริ่มเริ่มสับสนแล้วอะไรวะเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมเรื่องคุณจะจบเท่านี้อไม่จบ มันมีปฏิกิริยานิวเคลียร์อยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าการแผ่รังสีเบตา้าในช่วงที่เจอมิวอ่อนเนี่ยนะครับมีนักฟิสิกส์เข้าศึกษาการแผ่รังสีเบต้าก็คือว่ า, าธาตุกำมะถันรังสีเอสลายตัวกลายเป็นาธาตุบแล้วปล่อยรังสีเบต้าออกมาเจ้าเบต้าเนี้ยนะมันก็คืออิเล็กตรอนนั่นแหละอทีนี้พอวัดพลังงานรังสีเบต้าเนี่ยในทางทฤษฎีมันควรจะออกมาได้แค่ค่าเดียวปรากฏว่ามันออกมาหลายค่ามากๆ เท่ากับว่ามันประหลาดถามว่าทําไมประหลาดการที่ออกมาหลายค่ามันไม่เป็นไปตามกฎฟิสิกส์ที่เรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนะฮะแล้วก็พวกกฎอนุรักษ์โมเมนตัมอย่างเงี้ยมันไม่อนุรักษ์คือปริมาณทางฟิสิกส์ที่ควรจะอนุรักษ์เป็นกฎฟิสิกส์เนี่ยมันเกิดปัญหานักฟิสิกส์ก็เลยเสนอสมมุติฐานว่ามันจะต้องมีอนุภาคลึกลับบางอย่างในการสลายตัวของรังสีเบต้าให้บางสีเบต้าเนี่ยนะที่ มนุษย์ยังตรวจไม่พบอนุภาคลึกลับเนี่ยมันดึงเอาโมเมนตัมกับพลังงานออกไปบางส่วนทำให้ค่าทำให้อิเล็กตรอนมันเลยแบบมีพลังงานได้หลายค่ า, าคนก็แบบมีจริงป่าวะ่าแล้วมันคืออะไระปรากฏว่าในที่สุดเราก็คำนวณเชิงทฤษฎีว่ามันควรจะมีสมบัติอย่างไรนะฮะก็เพราะว่าเฮ้ยมันต้องมี ประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์หรือเป็นกลางมันถึงจะตรวจจับยากมากอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เราตั้งชื่อมันว่านิวตริโนในที่สุดเราก็มีการทดลองอันอนลังการยิ่งใหญ่มากอันนี้ถ้าอยากฟังเลยผมจะเล่าเรื่องนิวตริโนให้ฟัง<ฆ>คือมันยิ่งใหญ่จริงๆนะใหญ่มากๆแล้วก็ตรวจจับนิวตริโนเจอจริงๆและอย่างที่เคยเล่าไปในหลายตอนก็คือว่านิวตริโนเนี่ยเป็นอนุภาคที่ตรวจจับยากมากๆเลยเพราะว่าตัวมันไม่มีประจุไฟฟ้าค<ฆ>่ะนะครับ แล้วก็ในตอนแรกเราคิดว่ามันมีมวลเป็นศูนย์ด้วยซ้ําคือวิ่งด้วยความเร็วเท่าแสงทุกวันนี้เรารู้ว่ามันมีมวลนิดหน่อยนิดหน่อยมากมากนะและเทุกวันเนี้เรานั่งอัดรายการกันอยู่หรือแม้แต่ตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันก็ตามนิวตริโนทะลุร่างกายไปเราไปตลอดเวลาแหล่งของนิวตริโนที่มันทะลุก็มาจากดวงอาทิตย์มันปล่อยนิวตริโนออกมาเยอะมากแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยเราไม่เป็นไรเลยมันตรวจจับยากขนาดนั้นแต่เขาก็เจอนิวตริโน แล้วเราก็รู้ว่านิวตริโนเนี่ยเป็นอนุภาคมูลฐานเหมือนกันเหมือนกันแต่เมลอนแล้วก็เหมือนกับอิเล็กตรอนถูกต้องแต่ยังไม่จบค่ะ<า>อันนี้ขอเล่าข้ามช็อตมานิดหนึ่งค่ะเรายังไปเจออนุภาคมูลฐานในเวลาต่อมาอันนี้คือข้ามมาอีกไกลเลยนะไปเจออนุภาคมูลฐานชื่อทาวอนโอโหแปลว่ามันมีเยอะมากเลยนะมีหลายตัวเราเจอทาวอนเสร็จปุ๊บเราก็ค้นพบอีกว่าโอ้นิวตริโนไม่ได้มีชนิดเดียว นิวติโน่เนี่ยมี3ชนิดที่แอสโซเซตหรือสอดคล้องกับ electron, on, อิเล็กตรอนมิวออนทาวออนลองเปิดรูปนี้ดูเรายังค้นพบอีกว่านิวติโน่เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้มีชนิดเดียว ม, มันมีหลายชนิดสอดคล้องหรือแอสโซเซตกับอิเล็กตรอนมิวออนทาวออนเราก็เลยเรียกว่าอิเล็กตรอนนิวติโน่นะฮะหรือนิวติโน่ชนิดอิเล็กตรอนนิวติโน่ชนิดมิวออน นิวติโนชนิดทาวออนแล้วก็อิเล็กตรอนมีออนทาวออนเนี่ยนะมิวออนกับทาวออนเนี่ยมีธรรมชาติคล้ายกับอิเล็กตรอนมากๆเหมือนเป็นก๊อปปี้อิเล็กตรอนเหมือนธรรมชาติไม่ขี้เกียจคิ ด, คดอ่ะก็สร้างมิวออนกับทาวออนขึ้นมาเหมือนกันแทบทุกอย่างยกเว้นบวลพูดง่ายๆคือมิวออนกับทาวออนอาจจะเรียกว่าเป็นอิเล็กตรอนหนักๆ โหตอนนี้เหมือนมันอาณาจักรโปเกมอนอะมันมีมันมีชื่อมากมายอเพกใจนะครับมันต้องมีเรื่องต้องตกใจกว่านี้อแล้วก็เนี่ยอันนี้มิวออนทาวออนอย่างที่บอกเหมือนอิเล็กตรอนหนักหนักแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยนะเขาเขาทำเป็นวงเล็บไว้จะเห็นว่าอิเล็กตรอนนิวติโนกับอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ในแถบเดียวกันนะมีความสอดคล้องกันบางอย่างนะมิวออนนิวติโนทาวออนกับทาวออนนิวติโนเหมือนเป็นตระกูลเดียวกันอ่ะเหมือนเป็น เป็นเพื่อนกันแล้วสามอันนี้เขาเรียกว่าส g e เจเน t เรชันถามนักฟิสิกส์ทุกวันนี้เจอแค่สมเจเนอเรชันของพวกนี้ถามว่าทำไมต้องเป็นสมก็เป็นคำถามที่สแตนดาร์ดโมเดลตอบไม่ได้นะว่าทำไมต้องสาใช่ทำไมมีแค่อนุภาคกลุ่มนี้เขาเรียกเลปตอนนะเลปตอนเนี่ยแปลว่าเล็กนะแล้วทาไมมันทำไมมัน เลปตอนมีแค่สามเจเนอเรชันทำไมไม่4ทําไมไม่สองยังไม่มีคําอธิบายเลยยังไม่มีคําอธิบายอันนี้เจอจากการทดลองแล้วเราก็สร้างแบบจําลองขึ้นมาตามการทดลองเป็นไงตอนนี้ความรู้สึกเชิญเชิญเชิญอธิบายความรู้สึกยินวิวียนตีสามมันมีชื่อค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ว่าพอเห็นภาพว่ามันค่อยๆเราค่อยๆเจออนุภาคมูลฐานใช่ไหมคะขึ้นมาเรื่อยๆทีละตัวทีุยหลังๆสําคัญนะมิวออนเนี่ย อย่มิวออนกับทาวออนเนี่ยถามว่าทำไมเราเจอทีหลังจะไม่ค่อยเจอนิวติโนเนี่ยตัดไปเลยเพราะว่ามันเข้าใจง่ายค่ะนิวติโนเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะทำปฏิกิริยากับใครแล้วก็ไม่ค่อยเจอมันยากเนาะแต่มิวออนกับทาวออนตัวมันก็ไม่สเสถียรมันมันสลายตัวเร็วมากเลยดังนั้นเราก็ไม่ค่อยเจอใครอเจอแต่อิเล็กตรอนนี่แหละที่แบบสเสถียรสุดละเจอง่ายสุดละเนาะ แล้วการที่นักฟิสิกส์เจออนุภาคมูลฐานแล้วเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆมันทำให้เราเข้าใจเรื่องของสแตนดาร์ดโมเดลได้ยังไงต่อ อ, อ๋ออย่าเพิ่งรีบถามขนาดนั้นเรื่องมันยังไม่จบยังมีอีกโอเคต่อมาในปี1947เี่นี่ยนักฟิสิกส์ก็พบกับเรื่องที่ช็อกที่สุดเลยเขาไปเจออนุภาคที่ชื่อว่าพายออแล้วก็เจออนุภาคที่ชื่อเคออนแล้วก็เจอแลมดาโอ้สักพักยเพิ่งอยเพิ่งอยเพิ่ นักฟิสิกส์ก็ไปเจออนุภาคอีกมากมายโอเมก้าอะไรพวกนี้ไล่ไปตามอักษรกลีกไล่ไล่ไไลไปเลยช่วงนั้นนะมันมีนักฟิสิกส์ชื่อคุณวินลิสแลมเขาได้รางวัลโนเบลเขาขึ้นไปกล่าวในงานรับรางวัลโนเบลว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะใครค้นพบอนุภาคมูลฐานในรางวัลโนเบลนะแต่ตอนนี้ใครเจอนะปรับดีกว่าปรับไปเลยหมื่นเหรียญ มันวุ่นวายไปหมดแล้วมันมีศัพท์คำหนึ่งเขาใช้คำว่า particle zoo คือแบบมันเหมือนสวนสัตว์มันสับสนไปหมดอะไรก็ใหม่ลุกมันมาเป็นขยงเป็นขโยงคือช่วงนั้นมันมีการใช้พวกเครื่องเร่งอนุภาคยิงเข้าไปก็เจอนั่นเจอนี่โอ้โหแล้วตั้งชื่อไล่ตามอักษรกรีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดสับสนใครเรียนเรื่องนี้ก็ปวดหัวใช่เป็นอะไรที่ ที่กินพลังชีวิตน่นะครับท้าทายเนา ะ, ะแต่ทีนี้มันมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญมากในเรื่องนี้โดยนักฟิสิกส์ที่ชื่อว่าคุณเมอร์เรย์เกลแนกับมีคนญี่ปุ่นด้วยชื่อนิชิติมาเขาเอาอนุภาคที่มันดูแบบวุ่นวายเหล่านี้มาเรียงกันดูตามคุณสมบัติบางอย่างแล้วเขาพว่ามันมีรูโวอยู่รูหนึ่งเกิดขึ้น ไอรูโวนั่นเนี่ยนะฮะลองนึกถึงตารางธาตุก็ได้<ะ>แต่มันไม่ใช่ตารางธาตุนะเขาามาเลียงแล้วมันมีรูโวอยู่รูหนึ่งอไอรูโวน้นี้เขาเชื่อว่าถ้าตารางเหล่านี้มันบอกแพทเทิร์นบางอย่างได้จริงรูโว้นี้เดี๋ยวเราต้องเจออนุภาคใ<า>หม่แล้วเขาเจอจริงอในตอนนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของอนุภาคอันสลับซับซ้อนเหล่านี้นะฮะและคุณเมเรเกลแมนเนี่ย ก็สร้างแบบจําลองเสนอแนวคิดหนึ่งขึ้นมาว่าหรือจริงๆอนุภาคเหล่านี้ที่ดูหลากหลายเหล่านี้ไม่ใช่อนุภาคมูลฐานเลยพวก pi on k on lambda omega พวกนี้ไม่ใช่อนุภาคมูลฐานแต่มันประกอบขึ้นจากอนุภาคมูลฐานที่เล็กกว่ามากเรียกว่าควาร์กอ๋อคือมีจุดร่วมของทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เล็กกว่ามันไปอีกเรียกว่าวาึ่งสเต็ปใช่ควาร์กเนี่ยคุณเกลมันพยายามสร้างทฤษฎีควาร์กขึ้นมาในช่วงแรกมี3ชนิด อัพควัก่าวควักสเตรนควักสามตัวนี้คอมบิเนชันออกมาได้ได้ไอ้พวกนี้พวกประหลาดๆพวกนี้คนก็พากันแบบโอ้เรียบง่ายสวยงามมากแฮปปี้ที่แท้เราเปิดจากควักแต่ไม่มีใครเคยเห็นควักคนก็พากันแบบสรุปมันยังจริงไมมจริงแม้ว่าทุกวันนี้เราจะรู้ดีนะคะว่าควักเนี่ยมีจริงแหละเขาทำการทดลองเอาพวกอนุภาค โปรตอนมาชนกันกับพวกอิเล็กตรอนหรือโปรตอนด้วยกันเองด้วยพลังงานสูงมากๆเนี่ยมันโชว์โครงสร้างข้างในว่ามันน่าจะมีมันเกิดจากควาร์กสามตัวนะอย่างโปรตอนเนี่ยก็มีควาร์กสามตัวนิวตรอนก็เกิดจากควาร์กสามตัวคนละชนิดกันนะครับมารวมกันแล้วก็มีปรากฏการณ์บางอย่างทําให้นักฟิสิกส์เชื่อว่าเควาร์กสามตัวไม่พอมันต้องมีตัวที่4ี่ชื่อชามควาร์กทําทําไมเขาถึงไปสงสัยว่าจะมีตัวที่4ี่ะคะ วิ้วไว้เราในตอนควักแล้วกันถ้าอยากฟังแต่เอาเป็นว่ามันมีปรากฏการเกี่ยวกับการสลายตัวเกี่ยวกับอนุภาคบางชนิดนะฮะมผมยังไม่ลงลึกหนึ่งในคนที่ที่สร้างคําอธิบายนั้นขึ้นมาก็คือคุณเชลดอนลีกลาชเฮล์นะอธิบายมันว่าในการจะอธิบายธรรมชาติอันแปลกประหลาดตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องมีควักตัวที่สีนะ่ชื่อชามควักแล้วก็มีนักฟิสิกส์ไปเจอจริงๆชามควักว่ามีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วก็สุดท้ายก็มีการทดลองด้วยนะฮะเจอ ควาร์กตัวที่ห้าตัวที่หกชื่อท็อปควาร์กกับบอททอมควาร์กทีกับดีเป็นไงตอนนี้สรุปตอนนี้นะควาร์กมีทั้งหมดหกตัว Up, Down, อัพดาวสตริงชามท็อปบอททอมอันนี้โดนปรับได้ยังคะต้องโดนปรับแล้วนะนั่นดิแต่ตอนเนี้ยก็ ทุกคนก็ดูแฮปปี้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ พ, อพอรับได้หตัวพอรับได้ตัวเนี่ยประกอบขึ้นเป็นพวกอนุภาค พ, พวกประหลัดประหลา ด, ลาดที่เจอเป็นอักษรกรีกพวกเนี้ก็อธิบายได้นะฮะทุกอย่างก็ดูแฮปปี้เนาะเรื่องมันควรจะจบนะยังมีอีกคือแรงพื้นฐานเนี่ยมันมีทั้งหมดสี่แรงเนาะแบบจำลองมาตรฐานเนี่ยอธิบายไปสามแรงะนะครับจาตอนควันตัมได้ไม เราคุ้นๆนะเราเคยเล่าประมาณว่าธรรมชาติของอนุภาคเนี่ยอนุภาคต่างๆเนี่ยมีธรรมชาติเชิงคลื่นได้ด้วยและพวกคลื่นก็อย่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีธรรมชาติของอนุภาคที่สอดคล้องกันอยู่เขาเรียกว่า wave-particle duality คือเป็นได้ทั้งคู่เป็นได้ทั้งคู่มีคุณสมบัติของทั้งสองอย่างนะฮะทีนี้แบบจำลองมาตรฐานเนี่ยมันวางอยู่บนทฤษฎีชื่อ quantum field theory ตัวมันเนี่ยมองว่าสนามของแรงที่แผ่ออกไปมีคุณสมบัติเชิงอนุภาคด้วยซึ่งแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยที่แผ่ออกมาแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างประ จ, จุไฟฟ้าเนี่ยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีคุณสมบัติเชิงอนุภาคเรียกว่าโฟตอน<ะ>ซึ่งก็คือควอนตัเซชันหรือธรรมชาติเชิงอนุภาคของแสงนั่นแหละนะฮะคือแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้า เราถามว่ามันมีความเป็นอนุภาคไหมมันก็มีเรียกว่าโฟตอนอแรงอย่างเข้มล่ะแรงอย่างเข้มที่มันยึดคว้าเข้าด้วยกันเนี่ยก็ประกอบจากสนามของแรงอย่างเข้มซึ่งอนุภาคของมันก็เรียกว่ากลูออนแรงอย่างอ่อนก็ประกอบขึ้นจากสนามที่มีมีสนามของแรงอย่างอ่อนที่เกิดขึ้นจากอนุภาคที่เรียกว่า Z ซซึ่ง Z0 ศูนะฮะซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้ากับ W บยบวกกับ W ลลบ ตึงตึงค่ะอืมทีนี้เนี่ยอย่างนี้ก่อนนะสามสามอนุภาคสนามเนี่ยเขาเรียกอนุภาคสนา ม, มโฟตอนหรือแสงเนี่ยอเขาเรียกว่าเป็น m s s l e s s คือไม่มีมวลมวลเป็นศูนย์แล้วกันกลูออนก็มวลเป็นศูนย์แต่แรงยังอ่อนเนี่ยอนุภาคมันประหลาดตัว W กับ Z ซเนี่ยมวลไม่เป็นศูนย์มีมวลค่ะ นักฟิสิกส์พอเห็นอะไรที่มันแบบโดดจากชาวบ้านเนี่ยจะเริ่มตั้งคําถามจริงๆไม่ใช่นักฟิสิกส์หรอกคือนักวิทยาศาสตร์หรือมนุษย์ทั่วไปเห็นชาวบ้านเขาเป็นแบบนี้แล้วไม่เลยแบบไม่เป็นตามแพทเทิร์นเนี่ยมันจะแบบแปลกๆใช่ไหมก็ถามเพาะทำไมตัวนี้มันมีมวลมันก็มีนักฟิสิกส์สร้างทฤษฎีชื่อเล็กโทรเวกขึ้นมาเนาะอธิบายว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ระดับพลังงานสูงมากๆเนี่ยไอ้ตัวเวกฟิลด์นะฮะหรือเขาเรียกว่า แรงอย่างอ่อนแรงอย่างอ่อนเนี่ยอนุภาคของมันเนี่ยก็ไม่มีมวลเหมือนชาวบ้านแต่มันมีกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอะไรก็ช่างมันเถอะนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันมีมวลขึ้นมาทุกคนก็แฮปปี้ละแต่การที่กระบวนการนี้จะเกิดได้จะต้องมีอนุภาคตัวหนึ่งที่เรายังไม่เคยเจอไม่เคยเจ อ, อนักฟิสิกส์ก็พากันหาใหญ่เลย แล้วในช่วงประมาณปี2011ถึง2013ก็เจอตัวนี้มันชื่อว่า h i กส์โบ s อ n Higgs b บซ o n เนี่ยเกี่ยวข้องกับความไม่สมมาตรของมวลของไอ้ตัวนี้แหละตัวของออ Z กับ W ับอะไรพวกนี้อเอาละตอนนี้ก็เรารู้จักแบบจำลองมาตรฐานแล้วทีนี้ถ้าเปิดรูปดูนะครับ อ, อีกรูปหนึ่งรเราจะพบว่าตอนนี้จบแล้วนะครับก็เห็นหมดทุกอย่างแล้ว อ้โที่เราพูดไปเมื่อกี้มันอยู่ในตารางนี้หมดเลยหมดเลยอิเล็กตรอนมีอ่อนทาวอ่อนสีเขียวแล้วก็พวกอิเล็กตรอนนิวติโน่มีออนนิวติโนทาวนิวติโนไอพวกนี้เป็นแก๊งเรียกเลปตอนนะเลปตอนมันมันเล็กนะฮะก็อยู่ข้างล่างค่ะข้างบนเรียกควาร์ควาร์นี่ประกอบเป็นโปรตอนกับนิวตรอนแล้วก็พวกอนุภาคที่เราเจอตามเครื่องเล็กอนุภาคที่มันแปลกๆพวกนี้ที่ดูแบบมันดูเอ็กซโซติกอ่ะแล้วก็สีแดงเนี่ย เป็นอนุภาคที่สอดคล้องกับสนามของแรงทั้ง3อย่างกลูออนก็แรงอย่างเข้มโฟตอนก็แรงแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะแกับ W ยก็แรงอย่างอ่อนอืส่วน Higgs เนี่ยโผลมาแล้วก็อธิบายว่าทำไม W กับ Z เนี่ยมวลมันไม่เป็นศูนย์อะไรพวกนี้อืซึ่งทั้งหมดเนี้ยคือ Standard m o d เดเออ จริงๆก็ประมาณนั้นนะครับเป็นอนุภาคทั้งหมดใน t a ต d a า d โมเดลที่เรารู้ว่ามันเป็นอนุภาคบูลฐานในตอนนี้แต่ถามว่า ม, มีอีกไหมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราไม่รู้นะหนึ่งคือสิ่งเหล่านี้มีองค์ประกอบหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้มันมันเป็นอะไรที่ตอบยากเราเรายัง มันขีดจํากัดมันส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เครื่องเร่งอนุภาคที่จะต้องชนกันให้แรงขึ้นไปจนกระทั่งเห็นองค์ประกอบย่อยข้างในอีกแทรกเข้าไปข้างในอีกว่าจะเจออะไรอีกแต่ตอนนี้เรายังไม่ไม่เจอทฤษฎีก็ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแล้วก็มีอนุภาคมูลฐานอื่นๆอีกไหมอันนี้เราก็ไม่รู้อนะครับใช่โอเคขอคิดแป๊บหนึ่งคําถามถึงขั้นแบบเป็นไงขอขวดไหมเราจะไปอย่างไรกันต่อดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเมื่อกี้ที่แบบ จับความได้คือฟังคิดว่าคนที่ฟังอยู่สามารถย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งได้โอ้ผมน่าอันใจเลยว่าถ้าฟังรอบแรกแล้วงงนะฟังรอบสองก็งงงั้นลองรอบสาม่ะอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอนักฟิสิกส์เองอ่ะในยุคนั้นเองอ่ะเขาก็งงทุกวันนี้คนเรียนฟิสิกส์ถ้าเรียนเรื่องนี้ก็งงสับสนเป็นธรรมดาแล้วก็เอางี้ก่อน นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลชื่อคุณสตีเวนไวเบิร์กน ะ, ะที่เขาศึกษาเรื่องอิเล็กโทรววกโดยตรงเลยนะเขาอะตอนแรกเขาจะเรียนเขาลังเลว่าเขาควรจะไปทางสัมพัทธภาพทั่วไปหรือ GR นะครับหรือฟิสิกส์อนุภาคดีเหมือนอาจารย์จะบอกเขาว่าตรงไหนวุ่นวายก็ไปตรงนั้นอเขาก็เลยมาที่นี่เขาก็ไปตรงเนี้ยเขาก็ได้รางวัลโนเบลผมผมฟังเขาใช่ปะผมก็คิดว่าเฮ้ย เลือกเรียนด้านนี้บ้างดีวะตอนนั้นผมกําลังเลใช่ไหมว่าจะเรียนต่อด้านสัมพัทธภาพทั่วไปหรืออันนี้ดีผมก็มาด้านเนี้เกือบ <c oughs> ไม่จบล<อ> <laughs> ุงยีเลือกซีอดีวแต่ก็อาจจะแย่กว่าเดิมเอออ <c oughs> แต่อันนี้มันสับสนไม่หมดแล้วก็ปัญหาที่แบบจําลองมาตรฐานตอบไม่ได้เนี่ยก็เยอะเช่นอิเล็กตรอนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพวกเลปตอนทำไมมีสามเจเนเรชันอิเล็กตรอนทําไมมวลไม่เป็นศูนาาย์ทาไมมวลไม่เป็นศูนย์เนี่ย ก็ไม่รู้แล้วมวลที่ไม่เป็นศูนย์ทำไมมันเท่าเนี้ก็ไม่รู้แปลว่าแปลว่ามันคือการทําความเข้าใจอนุภาคมวลฐานถูกไหมคะชแล้วก็แรงพื้นฐานอืมใช่ฮะส่วนส่วนส่วนอนุภาคที่สอดคล้องกับสนามโน้มถ่วงเขาก็มีการตั้งชื่อรอไว้นะอชื่อกราวบิตอนตั้งไว้เตรียมชื่อไว้แล้วเตรียมชื่อไว้แล้วรอเจอก่อนแต่ยังไม่เจอแล้วก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าด้วยคุณสมบัติก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะ เป็นอะไรบ้างแล้วก็จะตรวจจับยังไงอะไรพวกเนี้ <Ừ. S 2> ก็ยังนะการที่เราศึกษาเรื่องนี้ที่พี่บ่งแปงเลือกเรียนเรื่องนี้ ม, มันทําให้เราเข้าใจเอกภพยังไงอะคะมันมันให้คําตอบอะไรกับเราบ้างโหมันทําให้เรารู้ว่า ส, สารที่เราศึกษากันอยู่อะยังไม่ทับ ส, สารมืด อ, อีกนะคืออันแบบจะลองมาตรฐานเนี่ยมไม่ได้อธิบาย ส, สารมืดเลยแต่เอาเป็นว่าเอาเฉพาะปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ย ส, สารต่างๆที่เราเห็นว่าหลากหลายสร้างวัสดุต่างๆมากมายอ่ะมันเป็นแค่เซี่ยวดียวของของของอนุภาคมูลฐานที่สร้างเอกภพเราขึ้นมาเอกภพมันยังมีสิ่งที่แบบเราไม่รู้อีกเยอะมากอะฮะใช่แล้วก็ปรากฏการเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วมันก็เริ่มทำให้เรานํามาซึ่งการทำความเข้าใจ ด, ด้านอื่นๆ อ, อ, อีกหลายเรื่องนะรวมทั้งโบราณคดีด้วยหอค่ายยังไงคะอย่างเช่น มิวออนที่มันมาจากทังสีคอสมิกอย่างนี้การตรวจจับมิวออนเนี่ยทำให้เราไปเจอห้องลับของของในปิรามิดด้วยนะคือปิรามิดเนี่ยบางทีเราไปคือบางทีเห็นหินเห็นอะไรเราก็ไม่รู้มีห้องอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไปการจะบอกว่าไปขอทางอีทางทางอียิปต์บอกว่าขอระเบิดปิรามิดดูได้ไหมว่ามันมีอะไรอยู่มันก็ไปขอยังไม่ได้ใช่ป่ะก็ไปตั้งเครื่องตรวจจับรังสีพวกมิวออนอะไรพวกนี้ในปิรามิดดูแล้วเพราะว่า บางจุดเนี่ยมิวออนมันทะลุมาไม่เท่ากับจุดอื่นพอสร้างแบบจําลองก็พบว่าจุดที่มันไม่เท่ากับจุดอื่นมันน่าจะมีรูว่างๆอยู่<อ>แล้วก็พอตรวจจับด้วยอะไรอื่นๆแล้วก็ไปเจอห้องห้องลับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยพวกนี้มันก็นํามาซึ่งการประยุกต์ใช้เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวนะผมมองว่าการทํำข้อเข้าใจเรื่องนี้ยต่อให้มันยังไม่เกิดเทคโนโลยีขึ้นมามันก็น่าทึ่งว่าเอกภพมันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่ดูเหมือนสับสนวุ่นวายแต่จริงๆแล้วมันก็สับสนแหละแต่พอเราจัดระเบียบมันแล้วมันก็พอเป็นแพทเทิร์นบางอย่างแล้วก็ ม, มีกฎธรรมชาติบางอย่างที่ควบคุมมันอยู่พ่อพอฟังประวัติศสาสตร์การแบบว่าเจออนุภาคมูลฐานแต่ละตัวแต่ละตัวที่พี่ป่องแปงเล่าฟังรู้สึกว่ายิ่งยิ่งนักฟิสิกส์ค้นพบ เรายิ่งเจอความไม่รู้อีกมากมายเต็มไปหมดเลยเนาะชเขาถึงขั้นแบบบอกว่าแบบต้องต้องจับและต้องปรับแลลวต้องปรับคนที่เจอเนี่ยนะแล้วคือนี่ผมยังไม่ได้เจาะเลยนะแต่ละตัวอิเล็กตรอนเนี่ยเจออย่างไรอะไรยังไงมิวออนทุกตัวเนี่ยถ้าจะเล่านี่เล่าอีกยาแต่ตอนนี้คือเล่าแบบพอสังเขปนะเล่าพอให้เห็นภาพรวมค่ะ บางคนก็พยายามจะสร้างทฤษฎีที่เรียบง่ายขึ้นไปอีกก็มีเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีาการทดลองยืนยันเลยพวกเนี้เอาอย่างบางทฤษฎีหลายคนอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีสตริงเทอรีเคยได้ยินไหมบ้างก็บอกว่าเฮ้ยหรือจริงๆอนุภาคที่ดูซับซ้อนพวกเนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากสตริงที่สั่นด้วยความถี่ต่างกันแล้วมันก็กลายเป็นอนุภาคที่ดูแตกต่างกันเลยพวกนี้แต่ตอนนี้ก็ ยังรองผลการทดลองยังรองการคำนวณเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ อ, อยู่นะแต่ตอนนี้ก็นั่นแหละเขาก็มีการศึกษาเรื่องแบบจำลองมาตรฐานที่ เ, เขาเรียกว่าฟิสิกส์บิยอนเดอะสแตนดาร์ดโมเดลก็มีโอบิยอนไปกว่าอันนี้อีกใช่ก็คือพยายามตอบคำถามว่าธรรมชาติที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับแบบจำลองมาตรฐานตอนนี้นะมันมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเหล่านั้นค่ะใช่ใช่ <laughs> แล้วมาถึงจุดนี้ที่บอกว่าจะไป Beyond Standard m o เด l แล้วเนาะแล้วนักฟิสิกวันนี้เขาค้นคว้าทดลองหรือว่าตามหาอะไรกันต่ออีกไหมคะคือในเชิงทฤษฎีเขาก็ทำกันอยู่เรื่อยนะครับแต่การทดลองเนี่ยพวกเครื่องเร่งอนุภาคเองก็พยายามตรวจจับอนุภาคต่างๆหรือว่าปรากฏการที่ เ, เราไม่เคยเห็นหรือปรากฏการที่เคยเห็นแล้วแต่เราอาจจะไม่ได้ความแม่นยา ม, มากพอให้มันแม่นขึ้นเรื่อยๆๆนะเพื่อที่จะได้ดูว่า เอ่อในการชนแต่ละครั้งเนี่ยมันมีอีเวนต์หรือปรากฏการณ์อะไรที่นำไปสู่สิ่งที่ตอนนี้เราอธิบายไม่ได้บ้างไห ม, มปรากฏการณ์ที่เราอธิบายไม่ได้มันก็เรียกร้องให้เรามีทฤษฎีที่ดีขึ้นหรือเหนือไปกว่าทฤษฎีเดิมในตอนนี้ดังนั้นตอนนี้การทดลองแน่นอนต้องพยายามสร้างการชนที่พลังงานสูงขึ้นหรือสร้างการชนที่เอ่อมี มีการเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ผลที่ดีขึ้นคือในการชนแต่ละครั้งเนี่ยไอ้ที่กระเด็นออกมามันเยอะมากเลยทุกวันนี้ก็มี AI มีอะไรมาช่วยวิเคราะห์นะครับมันก็ดีขึ้นแล้วเราก็เริ่มเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆถึงปรากฏการที่แบบจําลองมาตรฐานดูจะดูจะแบบแปลกประหลาดแหอะไรเนี่ยใช้คําว่าเกิดเขาจะใช้คําว่า anomaly ภาษาไทยอาจจะว่าความความไม่ปกติความวิปราดที่เกิดขึ้นในการทดลองอะไรพวกนี้ฮะซึ่งก็ ในการจอธิบายสิ่งที่ไม่ปกติเหล่านี้ก็ต้องอต้องการทฤษฎีที่เหนือกว่าแบบจำลองมาตรฐานกลายเป็นว่าความวิปราดและความไม่ปกติเนี่ยกลับดีดีเพราะทําให้เรารู้ว่าเราต้องหาคําตอบอะไรตอ่อใช่ใช่โอ oh, ฟังว่าฟังตอนนี้แล้วอะ่ะคือจําได้ว่าหลายๆตอนที่ผ่านมาจะมีบางคนอะ่ะบอกว่าเขา่ย้อนกลับไปฟังหลายรอบค่ะอตอนนี้อาจจะติด แบบท็อปทตอนที่แบบว่าฟังแล้วขอฟังอีกทีหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจอะไรอย่างเงี้นะแต่ว่ามันทำให้เห็นเลยค่ะถึงความพยายามของมนุษย์เรารมถึงนะักฟิสิกว่าในความวุ่นวายนั้นนะ่ะเขาก็ไม่ลดละที่จะหาคำตอบแล้วก็ลงลึกในข้อมูลไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำความเข้าใจมันไปเรื่อยๆช คใครที่ฟังตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงหรือว่าลองทำสถิติกันค่ะว่าคุณฟังกี่รอบแล้วเข้าใจนี่เพิ <laughs> <your> <laughs> ่มยอดวิวก็ใครฟังตอนนี้แล้วคิดเห็นยังไงลองแชร์กันเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะรายการของเราก็จะมีตอนใหม่ๆมาฝากกันนะคะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast นะคะรวมถึงติดตามพวกเราได้ในทุกๆ podcast player เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ